ค่นระวังที่เคารพค่ะและสําหรับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะในโอกาสพิเศษเทศกาลเข้าพรรษาโดยท่านไพบูลหรือว่าพระไพบูลอภิปุนโนวัดป่าดอนไฮโซอุดรธานีค่ะน้มักการะทั้นค่ะใช่เชพานค่ะพูดถึงในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้กราบเรียนถามคําถามที่มีผู้ส่งมาอย่างไรก็ตามแต่ฉันเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยคำถามหนึ่ง ที่เมื่อเมื่อคนมีความทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์แบบโลกโลกก็จริงนะคะแต่ก็อยากรู้ว่ามันทุกข์เหลือเกินจะเอาธรรมะอะไรมากล่อมเกล่าวได้ดีอย่างกับที่เผชิญกับภัยจากน้ําท่วมกันอยู่ในขณะเนี้ยคะ่ะมากบ้างน้อยบ้างคนที่เฝ้าดูอยู่ก็มีความทุกข์นะคะจะเฉลี่ยทุกข์จากท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ก็ด้วยวิธีบริจาคโดยคาดหวังว่าจะช่วยบรรเทาแต่นี้ในทางธรรมะค่ะท่านคะ ก็ น, นี่พระพุทธเจาเคยเตือนไว้เรื่องเรื่องน้ําท่วมนี่จริงๆที่อุดอรนี้ไม่ท่วมนะแต่ว่าอ <Okay. S 1> ัตมาได้ผลกระทบเหมือนกันนะคือได้รับรัฐนาให้ไปแสดงธรรมที่จังหวัดเลยแต่ว่าจังหวัดเลยเ น, นี่ยน้ําท่ว ม, <Okay. S 1> นนวมก็เลยต้องเลื่อนไปไปที่จังหวัดขอนแก่นแทน <Okay. S 1> ก็เลยได้ผลกระทบเหมือนกัน <Okay. S 1> แต่ว่าเรื่องของภัยพิบัติพวกเนี้พระพุทธเจาเคยเตือนเอาไว้บอกว่าเออ เมื่อตอนที่ยังไม่มีภัยพิบัติเนี่ยเราจะต้องเห็นว่าเออถ้าเมื่อไหร่มีภัยพิบัตินะคนก็จะ เ, ออเรื่องอาหารเนี่ยจะหายากเพราะอาหารหายากเนี่ยที่ไหนอาหารหาง่ายคนก็จะแห่กันไปนะเ <Okay. S 1> พระแห่กันไปแล้วเนี่ยการที่จะไปมีหลีกเล้นอยู่แต่ผู้เดียวทําความเพียรมันจะเป็นไปได้ยากนะเพราะมันมีคนเยอะนะ mm. ก็จึงให้เตือนว่าถ้าตอนที่เรายังดีๆอยู่สบายใจอยู่เนี่ย อยู่ในที่ที่อาหารหางง่ายอยู่ยังไม่เกิดภัยพิบัติอะไรเนี่ยก็ให้ที่ทาความเปลี่ยนใาอันนี้ก็มีอันที่1น่งส่วนที่2ก็ยังพูดถึงความที่จะต้องมาถ้าเราเจ็บป่วยนะถ้าเราเจ็บป่วยเมื่อไรมีความเจ็บไข้ใกล้ละใกล้ถึงเวลาละก็จะต้องเห็นความไม่เที่ยงในร่างกายใช่ไหมแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลาหรือว่าให้เห็นความไม่สวยไม่งามก็จะทำให้เรา ก็เรียกว่าปล่อยวางได้อย่างมากค่ะสบายใจอยู่ได้เาะงั้นเถอะค่ะ อ, อันนี้ถ้าพูดถึงที่ท่านได้พูดไปก็คือพุทธวจนะที่เกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติเช่นนี้สุดท้ายก็มารวมกระลงที่ว่าชีวิตอย่าประมาทเดี๋ยวจะไม่ทันที่จะได้ปฏิบัติ เพื่อนําพาตัวเองพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงใช่ะะใช่วันที่มีภัยพิบัติเนี่ยน ะ, ะเราเราจะต้องเตรียมการอะไรยังไงเนี่ยยังไม่ไม่สำคัญเท่าวันนีนะ้วันนี้หมายความว่าถ้าเราเตรียมการวันนี้ณนะวันที่มีภัยพิบัติเราจะสบายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสําคัญมากกว่าในการที่เราจะต้องเตรียมการถูกไหมค่ะอย่างน้ําท่วมที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีการเตรียมการในการขุดลอกคูคลองให้น้ํามันระบายได้อย่างรวดเร็วแต่พอถึงเวลาเกิดขึ้นอ้าวซวยเลย แต่ถ้าเราเตรียมการในการที่จะเตรียมจิตของเรานะให้ปล่อยวางให้มีรู้ธรรมะให้เห็นธรรมะเน่ยลึกซึ้งขึ้นไปพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราจะสบายใจอยู่ได้นะบุรุษชาบอกว่าถ้าเรามีการทําจิตอย่างไงเพื่อให้บรรลุถึงสิ่งที่ยังไม่มบรรลุเพื่อจะไม่ถึงสิ่งที่ยังไม่ไม่ถึงซึ่งเมื่อเราผู้ที่ประสบแล้วซึ่งภัยนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่อยู่ผาสุขอยู่ได้ค่ะคือเตรียมไว้วนะวก่อนในเรื่องของทางจิต ให้เข้าถึงธรรมด้วยการปฏิบัติให้ได้นะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่ได้เข้าถึงคำสอนพอสมควรแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมีหลายคนนะคะคิดแบบนี้กลัวว่าจะทำไม่ทันคือปฏิบัติไม่ทันที่จะหนีไอ้ความทุกข์เดิมๆค่ะทีนี้ว่ามันมีประเด็นอยู่นี้คุณยมติว่าแทนที่เราเราจะมากลัวภัยพิบัติพวกนี้เนี่ยนะยังน่ากลัวน้อยกว่า เพราะบางทีเราอาจจะย้ายไปอยู่ประเทศอื่ น, นไปอยู่ภูมิภาคอื่นที่มันไม่มีปัญหาพวกนี้ะนะแต่ว่ามันมีภัยพิบัติที่น่ากลัวกว่านั้นคือความแก่กับความตายนะคือไม่ว่าคุณจะย้ายไปอยู่ที่ไหนมันตามคุณไปตลอดหนีไม่ได้นะนี้อหนีไม่พ้นใช่บางคนบอกย้ายไปอยู่ที่เบตเลยเอ้าน้ำไม่ท่วมแน่นอน <c oughs> ค่ะก็เรียกว่า <c oughs> ถ้าเราเป็นผู้จัดช่วยได้วไวเนี่ย การได้ฟังธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ก็น่าจะทําให้เราฉุกคิดอะไรได้มากขึ้นใช่ค่ะทีนี้คงจะต้องตัดตอนไปที่พุทธประวัติจากพระโอรสแล้วล่ะค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องไปอยู่ที่เบสเนี่ยนะคือดีกรีนมาก<ง>คือคื อ, คอจะได้มาลงพอดีกับเรื่องนี้พอดีที่พระเจ้าวางครั้งเนี่ยนะโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังแสดงธรรมพบคนนั้นคนนี้คนนั้นมาถามตอบอย่างนี้คนนี้ต่อเข้ามาพระอนุนิจักคิวกันวุ่นไปหมดเลยนะค่ะอย่างนั้นก็มี นะแล้วก็บางทีพระรูชาวก็เอาละบอกพิสูจน์ทั้งหลายเลยเราะว่าตลอดเวลาจากนี้ไปกึ่งเดือนนะอย่าพาใครเข้ามาพบนอกจากพิสูจน์ที่นําอาหารบินเทบาตมาเท่านั้นนะเราจะหลีกเล้นอยู่ผู้เดียวแลเราก็ใช้คําว่าปฏิสันลนาก็มนะีซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าคือหลีกเล้นอย่างนี้ทำอยู่บ่อยๆนะคุณโยมติว๋วบ่อยจนกระทั่งพวกปริพชก ค, คนอื่นเนี่ยเขามาสงสัยว่าสงสัยไม่ใช่พระรูชาวเลยทำไมแบบว่า ไปอยู่คนเดียวบ่อยเหลือเกินซึ่งพระเจ้าก็แก้ข้อกล่าวหานี้โดยการบอกว่าการที่ไปอยู่คนเดียวเนี่ยนะทำให้มีความสุขในภายใ น, นประกอบความสุขในทิฏฐธรรมแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยที่เห็ น, เ, นเขาเอาเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นอย่างการลีกเล้นที่วัดปราณีโศกอย่างเงี้ยก็จัดสถานที่เพื่อให้มันหลีกเล้นอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จะข้อสังเกตตรงนี้มีอันหนึ่งว่าอย่างเวลาที่พระ นำอาหารไปให้พระทธเจ้าเนี่ยนะก็เอามาตั้งไว้ให้เฉยๆนั่นก็คือพบแบบแต่ไม่ได้คุยกันอ่ะไม่ได้ถามธรรมะไม่ได้ถามว่าพระองค์เป็นยังไงอะไรยังไงคือเอาอาหารมาตั้งไว้แล้วพระพุเจ้าก็ทรงฉันทงรับประทานเองอย่างนี้นะเรียกได้ว่าไม่มีการพูดคุยเลยบ้างนั้นเถอะค่ะไม่เหมือนสมัยนี้นะคะเวลาที่ถ้าเป็นการทาบุญของผู้ใหญ่ที่ฉันเห็นเขาจะมีประเพณีว่าต้องมีเก้าอี้ไปตั้ง ข้างหน้าพระสงค์แต่ละรูปแต่ละรูปแล้วก็ให้เหมือนกับโยมนั้นๆที่เป็นผู้ใหญ่คอยปรนิบัตวัตถากแล้วก็คุยไปด้วยเปล่าไม่แน่ใจเคยเห็นบ่อยค <andal. S 2> <ะ>่ะแล้วก็เรื่องของพระช้างอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปบนชั้นสวรรค์หรือว่าเทวดาหรือว่าพรหมเนี่ยได้อย่างสบายๆนะคือมีครั้งหนึ่งที่เล่าให้ฟัง นะตอนนึ้งตรัสรู้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้แสดงธรรมพักอยู่ที่กวงไม้สาระที่หนึ่งแสดงธรรมไปแล้วขอไปนะแล้วก็อยู่ที่เมืองอุกตะนครซึ่งตอนนั้นไม่ได้อยู่ที่พุทธคยาแล้ว<ะ>นะไม่ได้อยู่ที่พุทธคยาแล้วก็ตอนที่นั่งหลีกเล่นอยู่รูปเดียวองเดียวเนี่ยก็คิดว่าเอ้ในภพอื่นที่เราไม่เคยไปเกิดเนี่ยไม่มีเลยนะ นะหาได้ยากมากคือนั่งสมาธิตรวจดูเนี่ยก็มีอยู่นอกจากพบเดียวนะคือชั้นสุดทาวาดพรมนะเป็นพรมชั้นสุดทาวาดนะที่ยังไม่เค ย, ไ, เคยไปเกิดใชนะ่ก็เลยมีความคิดงั้นเราไปหาพวกพรมสุดทาวาดดีกว่านะดูซิว่าพวกนั้นเป็นยังไงก็เลยใช้พลังจากสมาธินะเหมือนกับคนที่ยืดแขนแล้วก็ขบเข้าเท่านั้นถ้าเปรียบเสมือนก็คือคนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นไปอยู่ในชั้นพรมเลย นะไปอยู่ในชั้นพรมเนี่ยก็ไปคุยกับพวกเทวดาในะชั้นพรมในชั้นสุทธาวาสนี้เป็นอันมากเทวดาเหล่านั้นเนี่ยก็มาหาพระรูชาแล้วก็บอกว่าเนี่ยได้เคยเป็นสาวกของพระุชูชาในสมัยพรนะุูชาน้นโน้นนะมีชื่ออย่างนี้มีทากรรมมาอย่างนี้จึงมาบรรลุเป็นอนาคามีอยู่ชั้นนี้ได้นะหลายคนหลายคนก็คือเทวดาหลายรูปก็มาพูดอย่างนี้เหมือนกัน แล้วก็จากชั้นต่ําคือในสุทาวาสเนี่ยจะมีอยู่5ชั้นและในพรมชั้นสุทาวาสเนี่ยจะมีอยู่5ชั้นด้วยกันคือชั้นสุทาวาสวิหาอัตปาสุทธาสสุทธา ส, ธา ส, ธาสธาีแล้วก็อาการนิฐามีอยู่ทั้งหมดห้าภพก็คือพูดในลักษณะนี้เหมือนกันทีนี้ในพรมชั้นสุทาวาสเป็นความรู้เบื้องต้นให้ทราบว่าเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีที่ตายจาก โลกโลกมนุษย์ไปใช่ไหมแล้วกดว็ด้วยความเป็นอนาคามีเนี่ยจึงทําให้ตัวเองเนี่ยไปเกิดเป็นพรมชั้นสุทธาวาสนะแล้วก็จะมีปกติปรินิพานในภพนั้นนะไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เคยไปเกิดที่นี่นะเพราะว่าตัวพระองค์เองไม่เคยเป็นอนาคามีมาก่อนในสมัยพระพุทธเจ้าอ ง, งค์อื่นคือมาเป็นพระอาหารหันต์ผู้วัดเลยในชาตินี้เป็นพุทธเจ้าด้วยอย่างนี้นะค่ ะ, นะคะ แล้วก็นี่คือเรื่องของพุทธประวัติในวันนี้มาถึงอริยสัจิ์่นะอริยสัจสี่เนี่ยู้เช่าเคยพูดถึงเรื่องของความดับไม่เหลือของทุกข์คือดับตัณหาก่อนนั้นดับตัณหาเนี่ยที่มันมีตัณหาเนี่ยเพราะมันมีอาหารของตัณหาใช่เราเคยพูดไปแล้วในตอนก่อนๆเหมือนอย่างร่างกายเราเนี่ยโตขึ้นมาเป็นร่างกายได้ยังตอไปได้เนี่ยเพราะกินข้าวทุกวันนะ บางคนกินวันละมากกว่า3มมื้ออีกแต่พระสงฆ์นี่กินมื้อเดียวนะพออาหารเนี่ยก็ยังมีอาหารของใจนะถ้าใจยังมีอาหารให้เชื้อเป็นเกิดเนี่ยมันก็ต้องไปต่อได้พรนะพุทธเจ้าจึงพูดถึงถ้าใครหมดอาหารนะหมดอาหารก็ชื่อว่านิพพานได้ที่นี้เนี่ยพูดถึงอาหาร3ามอย่างนะที่ที่มามีพูดถึงอาหาร4อย่าง ถ้าเรายังมีความเพลินนะในอาหารคือคำข้าวคุณก็ยังนิพานไม่ได้ถ้าคุณยังมีความเพลินคืออาหารในผัดสะคุณก็ยังนิพานไม่ได้อาหารในผัดสะนี่หมายความว่าอะไรบางคนเนี่ยไปกินข้าวตามร้านอาหารคุณโยมติ๋วต้องมีดนตรีฟังต้องมีแสงสีเสียงนะอย่างนั้นถึงจะได้กินข้าวอร่อยแต่ถ้ากับข้าวอย่างเดียวไม่อร่อยว่าไงเพราะฉะนั้นไอ้พวกแสงสีเสียงดนตรีเนี่ยคืออาหารคือผัดสะไงนึกออกเนาะอืม แล้วก็ อ, ก <fo? S 1> อาหารอย่างที่3อย่างที่4ี่ก็คือเรื่องของมโนสัญจตนาคือความนึกคิดในจิงของเราแล้วก็อาหารอย่างสุดท้ายคือวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณการที่เราจิตของเราต้องเข้าไปรู้นี่อยากรู้เรื่องนั้นอยากรู้เรื่องนี้เนี่ยคืออาหารของจิต <fo? S 1> เหมือนกันมีทั้งหมด4อย่าง mm. ถ้าเราไม่มีความยึดถือใน4อย่างนี้แล้วก็คือจิตของเราก็ไม่มีอาหารนะจิตที่ไม่มีอาหารก็ปรินิพานอันนี้อุปมาอุปไมยเนี่ย เหมือนกับพระพุทธเาเปรียบเทียบกับบ้านบ้านหนึ่งแต่ถ้าเผื่อว่าหลังคามไม่มีแล้วเนี่ยนะหรือว่ายอดเรือนของหลังคาไม่มีเนี่ยแสงที่มันส่องมาเนี่ยนะก็จะต้องตกอยู่ที่ไหนพระพุทธเาถามพระทั้งหลายพระทั้งหลายก็ต้องบอกว่าก็ต้องตกที่ฝาเรือนด้านตะบันตกแต่ถ้าแสงมาจากทางทิศตะวันออกหลังคาไม่มีนะก็ต้องตกอยู่ที่ฝาเรือนด้านตะบันตกแล้วถ้าฝาเรือนด้านตะบันตกไม่มีล่ะ ก็ต้องตกอยู่ที่พื้นดินถ้าพื้นดินไม่มีล่ะก็ต้องตกอยู่ที่พื้นน้ําถ้าพื้นน้ําไม่มีล่ะนะแสงสว่างนั้นก็ไม่ปรากฏนะพระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบเหมือนกับอาหารทั้ง4อย่างเนี่ยจะเห็นว่ามี4อย่างถูกไหมหลังคาหนะ้าฝาด้านตะวันตกพื้นดินพื้นน้ํามี4อย่างก็เปรียบเทียบกับอาหารคือ4ประเภทนี้ถ้าเราไม่มีความยึดถือในอาหาร4ประเภทนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่หมดอาหารแสงสว่างก็ไม่ปรากฏ นั่นก็ดับได้ซึ่งกิเลสต่างๆเข้าสู่นิพพานได้คอเรื่องอาหารเนี่ยที่มีแงม่มุมที่น่าสนใจก็คือว่าพระเจ้าเคยพูดถึงอาหารคือคำข้าวคุณโยมติ ว, ว่าถ้าใครนะคลายความกำหนัดในอาหารคือคำข้าวได้นะก็จะเป็นผู้ที่เอไปสู่ความเป็นอนาคามีก็มีนั่นคือไม่เวียนกลับมาจากโลกนี้มาสู่โลกนี้อีกอ๋อเหรอคะอ อย oh, <okay, S 1> ่างสมมติเรากินข้าวทุกวันเรื่องการกินเนี่ยเหรอคะใช่เรากินข้าวอยู่ทุกวันเนี่ยตื่นเช้ามากินข้าวต้มบ้างข้าวสวยบ้างเนี้ยนะทำกับข้าวอยู่ทุกวั น, นถ้าเราเห็นอาหารที่เรากินเนี่ยโดยความเป็นที่ว่าไม่มีความเพลิดเพลินยินดีกําหนัดพัวเผามัวเมาพั ว, วพันในสิ่งนั้นนะค่ะเราจะคลายความยึดถือในกามได้นะกามนี่แหละที่จะพาเราไปเกิดไปตายได้ถ้าเราวางกามได้อย่างเดียวนะคุณเป็นอนาคาเมีเลย ซูงขนาดนั้นค่ะแต่พอมาเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยดิฉันคิดว่าคงระยะทางอีกยาวไกล <c oughs> คือมาทบทวนดูเอ๊ะก็ยังเห็นปกติเหมือนเมื่อก่อน อ, อยู่นะค่ะนั่นน่ะสิเนาะก็ต้องค่อยๆฝึกไปค่ะ eh ซึ่งตรงนี้ผู้เช่าก็เคยพูดถึงความที่ถ้าเราฝึกต่อไปฝึกต่อไปน ะ, ะพยายามที่ให้จิตเราหมดจากกิเลสหมดจากกิเลสไปเนี่ย จะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นคืออาสวะขยญาญยานคะนะคือยานอันเป็นเครื่องสิ้นไปของอาสวะตรงนี้ถ้าใครมีตรงนี้แล้วเนี่ยนะจะทําให้เข้าสู่นิพพานได้เป็นจังหวะสุดท้ายที่ทุกคนต้องเจอหมดมที่ทุกคนต้องเจอไม่ว่าชั้นพรานองค์ไหนเนี่ยท่านต้องมีอาสวะขยญาญานนะคือการที่ทําให้เห็นอาสวะสิ้นไปค่ะนะคะคจริงถ้าได้ฟังอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันก็เป็นน่าสนใจ แล้วก็ถ้าจะพูดเป็นหลักๆคงต้องถามท่านรวบยอดทีหลังนะคะว่าถ้าจะมาจำละเอียดว่าเรื่องอาหารเป็นอย่างนี้เรื่องนั่นเป็นอย่างนั้นจําหลักๆเลยได้ไหมแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ในทุกๆเรื่องอค่ะวันอื่นก็ได้นะคะจะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนี้แหละหลักๆก็คือเรื่องของอาสวะขยายานนี่เองที่เราต้องทําให้เกิดให้มีขึ้นได้นั่นคือความที่เห็นอาสวะสิ้นไปได้ให้อาสวะสิ้นไปได้ค่ะต้องเห็น กิเลสทั้งหลายที่ท่านว่าอาสวะเนี่ยดิฉันใช้คําว่ากิเลสทั้งหลายนี่ครอบคลุมไหมคะใช่ใช่อาสวะกิเลสนี่แหละนะคะเห็นกิเลสทั้งหลายสิ้นไปได้ถึงจะมีโอกาสที่จะไปเป็นอนาคามีได้เป็นพระอรหันต์เลยอ๋อเป็นพระอรหันต์เลยหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงสบายใจที่สุดในโลกชั้นสูงสุดเลยค่ะเราต้องติดตามกันต่อไปอีกวันนี้พูดถึงเรื่องของการดับแห่งตัญหานะคะมาถึง การที่จะทำให้เกิดอาสะวัคขยะยานว่ามันมีความจำเป็นนมัมนสการขอบพระคุณท่านเพบูลเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะค ะ, คะอาจาอนค่ะท่านอนที่เคารพค่ะท่านเพบูตรนั้นท่านอยู่วัดป่าดอนหายโสอุดอนธานียังไปหาท่านไม่ได้แต่สงสัยอยากถามคำถามก็เพียงแค่ส่งคำถามของท่านขึ้นอินเทอร์เน็ตเลยนะคะไปที่เพียวธรรม a com slash ค่ะหรือว่าท่านยังไม่ใช้อินเทอร์เน็ตท่านยังใช้โทรศัพท์อยู่ ทิ้งคำถามไว้ที่022690006นะคะที่เบอร์เดียวกันนี้ขอหนังสือได้หนังสือพุททวัจนะซึ่งท่านอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลที่ลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันสร้างเป็นคำของพระศ า, าสดาเนี่ยก็จะมอบให้ผ่านทางรายการนี้วันละสามเล่มรวมแล้วก็สัปดาห์ละสิบห้าเล่มโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ละคะ่ะ02 022690 ศูนย์ศูนย์หกนะคะส่วนคำสอนของภาษาสดานั้นน้อมนําเอาไปใช้วันนี้จำได้ไหมคะว่ามีการพูดถึงเรื่องอะไรกันไปบ้างเครื่องเตือนใจในยามน้ำท่วมเรื่องของการที่จะต้องพยายามละกิเลสให้ได้มองอาหารที่เรารับประทานไปในทุกมือ้อมองอย่างไร ถึงจะช่วยทำให้กิเลสหลุดพ้นอันนี้ก็ไปพิจารณาใครครวรทำกันค่ะวันนี้เราคงจะลากัรเป็นแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธทวดสวัสดีค่ะ